สิกขาบทวิพังสามร้อยหคำว่าอนหนึ่งใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอนหนึ่งใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้คำว่ายังไม่ถึงครึ่งเดือนคือย่อนกว่าครึ่งเดือนคำว่าอาบน้ําได้แก่ภิกษุอาบน้ําถูตัวด้วยจุรณะหรือดินเหนียวต้องอบัตรทุกด ทุกครั้งที่ถูอาบเสร็จต้องอบัตรปาจิตตีคําว่าเว้นไว้แต่ในสมัยคือยกเว้นแต่ในสมัยที่ชื่อว่าสมัยที่ร้อนคือท้ายฤดูร้อนหนึ่งเดือนครึ่งที่ชื่อว่าสมัยที่อบอ้าวคือเดือนแรกแห่งฤดูฝนภิกษุเพิ่งอาบน้ําได้เพราะถือว่า2เดือนครึ่งนี้เป็นสมัยที่ร้อนเป็นสมัยที่อบอ้าวที่ชื่อว่าสมัยที่เป็นไข้คือภิกษุใดไม่ได้อาบน้ําจะไม่มีความพาสุขภิกษุเพิ่งอาบน้ําได้เพราะถือว่า เป็นสมัยที่เป็นไข้ภิกษุนพึ่งอาบน้ําได้เพราะถือว่าเป็นสมัยที่ทํางานที่ชื่อว่าสมัยที่เดินทางไกลคือภิกษุคิดว่าเราจะเดินทางครึ่งโยธพึ่งอาบน้ําได้พิกูจนั้นเมื่อจะไปพึ่งอาบน้ําได้ไปแล้วเพึ่งอาบน้ําได้ที่ชื่อว่าสมัยที่มีพายุฝนคือพิกูจน์ทั้งหลายถูกลมฝนเปรอะเปื้อนหรือหยาดฝนตกถูกกาย 2- อถึงสมหยด ภิกษุเพิ่งอาบน้ำได้เพราะถือว่าเป็นสมัยที่มีพายุฝุ่น